คุณต้องรู้ให้ได้ว่าเป็นมนุษย์ดีอย่างไรถึงค่อยทราบได้ว่าแม่ผู้ให้กำเนิดมีค่าแค่ไหนแม่ของบางคนอาจจะเหมือนแม่พระแม่ของบางคนอาจใส่ใจกับลู ก, ลกขณะที่แม่ของบางคนอาจทำไม่ดีกับลูกนักแม่ของบางคนอาจไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับลูกสักเท่าใด แต่สิ่งที่แม่ของทุกคนทำไว้เท่ากันคือสร้างจุดเริ่มต้นของความเป็นมนุษย์ไว้กับลูกการจะทราบได้ว่าแม่ให้อะไรกับคุณมาไม่ใช่การระลึกได้ว่าสองมือน้อยเคยยื่นไปขออะไรท่านบ้างแต่คุณต้องรู้ให้ได้ว่าเป็นมนุษย์ดีอย่างไรเมื่อรู้ได้ถึงค่อยทราบได้ว่าสิ่งที่แม่ให้มามีค่าแค่ไหน แต่ละคนเลือกที่จะเห็นคุณค่าความเป็นมนุษย์ต่างกันเพื่อเชิญสุขผจญทุกข์ไม่เท่ากันทำเรื่องมีค่าไว้ผิดแผกกันซึ่งนั่นก็มีผลให้ย้อนกลับไปมองค่าของแม่ผู้ให้กำเนิดไม่เหมือนกันด้วยหากคุณเป็นพุทธะคุณจะเห็นพระคุณแม่ยิ่งใหญ่เท่ากันเพราะคุณต้องได้ทราบว่ามนุษย์อาศัยบุญเก่านำมาเกิด ต่ถึงมีบุญเก่าแค่ไหนถ้าไม่มีท้องแม่มาช่วยอุ้มบุญเก่าก็สูญเปล่าหาที่ส่งผลไม่ได้อีกประการหนึ่งถึงมีบุญเก่าแค่ไหนคิดอ่านเป็นเหตุเป็นผลได้เพียงใดถ้าคิดไม่ได้หรือไม่ได้คิดถึงพระคุณแม่ก็ยากที่จะสร้างบุญใหม่อันใดให้เจริญแล้วชาวพุทธเกิดมาเลือกเส้นทางกรรมใหม่ให้ดีขึ้น เกิดมาใช้สรีระเจริญสติหวังมรรคผลนิพพานได้นั่นเป็นเรื่องประเสริฐยังไม่มีอะไรเกินจึงควรจําไว้ไม่ลืมว่าแม่คนนี้คือแม่ที่ให้ชาติภพแห่งความเป็นพุทธกับคุณไม่ว่าท่านจะยังอยู่หรือจากไปแล้วก็สามารถกราบไหว้ขอบพระคุณได้เหมือนพระแม้ท่านไม่ได้ให้อะไรคุณมากกว่าชีวิตมนุษย์เลยก็ตาม